มาเร า, าก็นั่งปิบัติธรมกันมาจบกล้วยเราสรวจกเรียลามิตรกเรียลามิตรหมายถึงน่ารักน่าเคารพนายกย่องอดทนมีความรึกซึ้งต่อกัน ลเตรียมกันที่สุดคือไม่พากันไปทางที่เสื่อมเดียวกัลยานมิตรดีกว่าเพื่อนทั่วๆไปคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนกลับบ้านได้นกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนคนไม่มีปัญญาขึ้นที่สูงไม่ได้ า, าการขึ้นที่สูงนี่ถ้าเด่นจะเป็นภยัยจะมีเรื่องของการสกัดดาวรุ่งอย่างที่เราเห็นเห็นจะตายขึ้นสูดที่สูงถานอำนาจต่างๆแล้วความมัง่งคั่งก็ต้องเป็นเรื่องที่มีพักมีพวกสารพัดปฏิวัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นนะเหมือนกัน การมารวมตัวกันเป็นร้อยร้อยคนเพื่อที่จะฝึกสติมันเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยกเลีมิตรกเรียนธรรมเหมือนกันเราเข้ามาหน้าวัดมันก็จะมีภาพช้างตรงหลังสลาหน้าแล้วก็อยู่ระหว่างครัวกับสลาหน้า จะมีแทงน้ําแล้วก็มีภาพวาดช้างเราสังเกตดีๆจะมีช้างดนยิงอยู่อันนั้นเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นที่วัดป่าสุกโตเมื่อก่อนจะมีช้างอยู่แล้วก็มีในปานก็คอยยิงแล้วก็ยิงโดนซะด้วยพมื่อก่อนเาเลือนอาบเลยกรณี้ช้างมันก็จะต้องมีสองตัวขนาบข้าง ขนาบข้างพฤทธิชาพาช้างอีกตัวงถ้าตายก็กลับสู่สุสานช้าง เ, เพื่อไปตายรวมกันกับผู้ที่เคยตุกฆ่าตายมาแล้วหรือว่าแก่ตายก็ตามไปลองขนาบกันก็คือสามตัวนั่นแหละที่เราว่ากลับบ้านได้ที่นี่มีต่ปิศนาทำเป็นลองลอย อีกตัวนึงก็คือช้างเราเห็นอยู่เป็นรูปปั้นนะอันนั้นจะมีหมาอยู่สองตัวสุนัขแล้วหมาเอาช้างนะเป็นปิจศนาธรรมอีกก็คือเป็นคำพูดมาจากหลวงพ่อครูบาอาจารย์หลวงพ่อเขียนท่านใช้คำว่าช้างเปรียบเหมือนสตินะสติไม่วันไหวนะสุนัขหมายถึงอารมณ์ต่างๆ ที่มากทบกระแทกแต่ว่าช้างก็ไม่ได้วันไหวตรงนีน้ช้างก็คือมหาสติที่มันมีอยู่ล้วก็ใช้ได้คนกี่เสือคน <c oughs> ไม่มีอาวุธนั่งแบบสบายๆเ ส, สือก็ยอมให้นั่งก็เปรียหมอนก็นว่าคนก็คือสติเสือก็คือกิเลส กิเลสนี่หยิบเอามาใช้ได้หยิบเอามาใช้มาทำหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรักความชังะพระเดชพระคุณต่างๆเอามาใช้ได้แต่มีสติมีความร้อนก็นมาใช้ได้แตก่ก็มีสติเหมือนความร้อนของไฟความร้อนของเครื่องยนต์ความร้อนของฮีเตอร์ความร้อนของ มากมายก่กองที่ถูกนำมาใช้จนเกิดประโยชนะ์เกิดสันติสุขสันติภาพปรมนโนยังเป็นปรมนโนเพื่อสันติภาพอย่างเงี้ยไม่ใช่เพื่อการทำลายล้างเหมือนประเทศญี่ปุ่นฮิโรชิมานกกาคัโนที่โดนเมืม่อสงครามโลกครั้งที่สองเรากำลังพูดถึงว่าชีวิตของเราเนะี่ยมันมีส่วนประกอบมากมายเราสามารถนำมาใช้นะหากมีสติมีสมาธิมีปัญญานะ เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดนะมันก็น่าสนใจทีเดียวนะพุทธาสนาเราชี้นากันเรื่องของบุญของบาปเรื่องของทานของศีลของภาวนานะเรื่องของทุกขเหตุแห่งทุกขแล้วก็ก้าวล่วงออกจากความทุกนะเรื่องของสติศีล ส, สมาธิปัญญามรรคผลนิพพานคร น, ะนะนี้เราก็นะรู้ mm. ว่ามันมี การชี้นำตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีอยู่ในพระไตรปิฎกสติเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างเปรียบเหมือนพ่อเปรียบเหมือนแม่สตินะมีคุณานันแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติที่เป็นสติที่ถูกต้องคือสติปัฏฐานมีแค่สันทาชยานอันนี้อาจจะเกิดโทษมาหัน เพราะว่าสติปัฏฐานะมันเป็นสติที่ทำให้เกิดความรอบกอบนะ็เป็นสติที่นะมีตะคุณนะประโยชน์กับชีวิตของเราจริงๆนะเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างนะส่วนธรรมอื่นๆะเป็นธรรมเล็กๆน้อยๆนะกุศลธรรมอกุศลธรรมนะแต่เมื่อผ่านตัวสตินะที่ปาะวันใช้ก็ว่าเปรียบเหมือนในทาวารบานนะเวลาจะใช้นะจิตใช้ใจ ใช้กายใช้วาจาก็ผ่านสติก่อนอันนี้ก็คือประโยชน์จะเกิดประโยชน์เอไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี้คราวนี้การฝึกสติการปลุกเล้าสติที่มันมีอยู่ให้มันตื่นตัวเกิดความว่องไวจนเป็นไหวพิปฏิพานอันนี้ก็ต้องนี่แหละใช้กายยานนปัสนสตริปัฏฐานคือการเห็นกายในกาย กายในกายไม่ว่าจะเป็นลมหายใจท้องพองยุบหรือว่าการเคลื่อนไหวเดินชงกลมยกมือ14บจังหวะสร้างจังหวะนี่แก็คือกายการเคลื่อนการไหวมีอยู่จริงเป็นสัจจะเป็นความจริงเราก็ปลุกโดยการสร้างการเคลื่อนการไหวแล้วกาหนดรู้ลงไปโดยเจตนาด้วยเบื้องต้น น, นามย่ออนามบ่งเพราะปกติเราใช้กายใช้วาจา ใช้จิตใจอยู่แต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่มันมีเองตามธรรมชาติแล้วก็มีเจตนาทำรรตามทิฏฐิความเห็นความเชื่อของตนของตนเราก็มักจะเอาความคิดของเราเป็นใหญ่เป็นศูนย์กลางเราไปวัดวไปฟันทงว่าคนอื่นก็ดีเขาชืว่วเ้าถูกเขาผิดตามสมคติบัญญัติมากมายที่มีอยู่ในสังคมถูกเป็นผิดผิดเป็นถูก ขยายความขยายผลเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานทําให้เราหยุดหนะยุดหยุดการคิดการปรุงกันแต่งการสัมผัสแต่ละขณะมันเป็นสัมผัสบริสุทธิ์เป็นสัมผัสที่ปราศ จ, จากการคิดการปรุงการแต่งเป็นสัมผัสที่เกิดจากกายการเคลื่อนกันไว้ให้แต่ละขณะจนเห็นกายรุ่นก้อนจะเป็นธาตุสี่ธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลม การกระทบสัมผัสหยาบหยาบนีมันเป็นธาตุดินการนั่งแล้วก็มีการเคลื่อนการไหวเดินมีการเคลื่อนการไหวหายใจมีการเคลื่อนการไหวกระพริบตามีการเคลื่อนการไหวการยกมือสร้างชาวบ้ามีการเคลื่อนการไหวนี่เกิดจากธาตุลมน้ำลายเปียกๆแฉะๆน้ำมูกน้ำตาอย่างนี้ปัสสาวะเหลือเหนือใครต่างๆ ก็ชัดเจนก็คือธาตุน้ำธาตุไฟก็คือความหนาวกันหน่อยนีความหนาวกันหน่อยเนี่ยคือความร้อนลดลงความร้อนลดลงความร้อนลดลงจนกระทั่งเออมันก็คือความหนาวนั่นแหละหรืองทีมก็อุ่นบางจุดก็อุ่นรักแล้อุ่นลมหายใจมันกระทบอุ่นอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือธาตุไฟเราก็รู้ชัดมันก็มีอาการกริยาซ้อนออกมา มันซ้อนออกมาด้วยก็คือความรู้สึกเรารู้สึกได้กายยะเปนญาณมีอยู่เบตนาของกายก็มีอยู่จิตมันก็มีธาตรู้อยู่ด้วยรู้แบบหลงรู้ก็มีสติรู้อย่างเงี้ยเรามาฝึกสติเราก็มีสติรู้ก็คือรู้เนื้อรู้ตัวที่ปลายจากการคิดมันรู้แบบรู้ตรงๆ ร, รู้โดยไม่มีความหมายที่เกิดจากคำพูดต่างๆเกิดจากสมองที่มาคิด มนุษย์มีสมองผู้หญิงมีสมองน้ำหนักอยู่ 1,125 กรัมถึง 1,300 กรัมเมื่ออยู่ครบ20ปีบริบูรณ์ผู้ชายเรามีสมองน้ำหนัก1น0 0งพันมถึง 1,600 กรัมสูงสุดอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือลักษณะของกายสมองกายประสาทจิตของเราก็ได้ใช้การคิด การคิดเนี่ยจริงๆมันคืออาหารของจิตของใจเราเป็นมโนทวาร น, นะจิตใจเนี่ยมันมีไว้ใช้นะการอารมณ์การคิดการปรุงการแต่งนะโดยตรงเลยมันจะเข้าออกเข้าออกเข้าออกนะตอนนี้เราก็ฝึกนะแทนที่มันจะไปรู้อารมณ์ไปรูนะ้เรื่องของจิตซึ่งเป็นนามธรรมตรงๆนะเราก็ฝึกซะก่อนให้มันรู้นะรูปธรรมนะอาการของรูปธรรมที่มีอยู่ตรงๆซะก่อนนะ ให้เขาค่อยๆเติบโตเจริญเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงแล้วก็ว่องไวด้วยนะจนรู้ทันความคิดเห็นความคิดนะเป็นกุสโลบายอุบายที่เป็นกุศลเบื้องต้นที่นะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้บอกชี้นำมาไว้สองพันกว่าปีแล้วนะท่านรู้้วยอาณาปานสติคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ว่ายุคนี้หนะลวงปู่เทียนจิตเตาพอซึ่งมรณภาพไปไม่นานนี้นะ ท่านก็เป็นสามาัญชนคนธรรมดาเนี่แหละเป็นพ่อค้าขายปุกปอพวกไส้แล้วก็ล่องเรือคนไปค้าขายชายแดนไทยลาวแล้วก็รับส่งผู้โดยสารมีพระทางฝั่งลาวชอบมาฝั่งไทยพระฝั่งไทยก็ชอบไปฝั่งลาวท่านก็ได้สนทนาถึงเรื่องสารทุกข์สุขดิบ เรื่องของบุญบาปนระกสวรรค์แล้วก็เรื่องของการปฏิบัติวปริศนากรรมฐานเนท่านก็ได้สนทนาจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์ของท่านก็บอกว่าเออเนี่ยเราพูดกันมาทั้งคืนแล้วไนะตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งเนี่ยมันจะเช้าแล้วนะมันไม่รู้หรอกนอกจากไปทํามเอาอยากจะรู้ก็ต้องไปถามเอาท่านก็ยังไม่ได้ทําำ ยังได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมโมตหาเงินหาทองนะครัขายนะท่านบอกว่าเงินร้อยเงินพันนี่หายากสาหรับท่านนะเงินหมื่นเงินแสนนะหาง่ายพูดแล้วเหมือนก็อวดกันนะแต่ท่านเป็นอย่างนั้นแหละท่านเป็นคนจริงอยู่นะแล้วท่านก็ตั้งใจนะเมื่อวันหนึ่งถอดกรถิน่นะห้ากองแต่ว่าวันนั้นนะกระถินห้ากองเนะี่ย ท้ายสุดก็คือท่านมีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นมาระหว่างที่นะทดกัินปริยามาถามนะหลังจากที่ทั้งคืนมีมาห่อรศตกเช้ามาก็ถามว่าพอเทียนจะจ่ายยังไงราคาหมอลำนะตอนนั้นเองท่านฉุนปี๊ดขึ้นมาเลยกนะารถามธรรมดาธรรมดานะแต่ว่าท่านมี from, นะฟอร์มฟอร์มของมืออาชีพนะเป็นนักบุญนะ ทำมาทั้งหลายครั้งหลายหดแล้วเรื่องเงินค่อยให้เจ้าจัดการแล้วทําไมต้องมาถามต่อหน้าแขงมันเสียฟอรอมหมดท่านกับโมโหภรรยาภรรยาเห็นว่าพอเทียนโมโหมีความโกรธก็เลยถามว่าโกรธค่อยแมนบอกพ่อเทียนกับแม่นแล้วก็โกรธเจ้านั่นแหละมาถามทําไมก็ให้มอบหมายรับผิด ช, ชอบแล้วนีย เมียก็เลยสวนท้าเจ้าทำบุญไปนรกแล้วทำบุญนั้นที่จะได้บุญไปนรกแล้วจิตร้อนรนกรอดในงานทอดกระถินทอดปลาอ ย, อย่างเงี้ยมันก็ไม่สมศักดิ์ีของนักบุญหลวงพ่อเทียนก็ได้แง่คิดทันทีสะดุดกึกขึ้นมาเลยกลับมาทบทวนตัวเองเอา้าแบบัดนี้ เราทําบุญยัมีความโกรธอยู่ถ้ายังจัดการกับความโกรธไม่ได้แล้วก็จะไม่กลับมาเลยท่านก็พกเงินจํานวนนับหมื่นบาทไปปฏิบัติธรรมออกจากบ้านไปเลยซึ่งเราฟังดูแล้วนะถ้าเป็นเรื่องจริงนู้มันน่าสนใจทีเดียวเราก็ทําบุญกันมามากนะ่ะทําบุญทําทานมันก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าหลายคนพอมีความทุกข์เราลึกถึงบุญถึงทานถึงความดีที่เราเงเคยทํามาไม่ได้ กลายเป็นทุลนทุลายตีอกชกหัวนะกัดตอดเจ็บปวดครับอกครับใจนะจนท้ายสุดก็คือหนีเสือป่าจร ะ, ะเข้ไม่รู้จะไปที่ทางไหนมืดแปดด้านนะมันก็เป็นประสบการณ์ของคนหลายๆคนที่เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าหลายคนที่นี่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะก็เลยมารู้จักกันว่าเออทำบุญนําทานนะก็ดีละลาแต่ว่าเราต่อยอดได้นะ เป็นศีลเป็นภาวนาต่อไปนะรักษาศีลเราก็ทำมากันเยอะแยะไปหมดแล้วนะบางคนบางท่านบางคนบางท่านก็อาจจะไม่ค่อยได้สนใจนะมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่บัด น, นี้เรามานั่งที่นี่แล้วนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าให้เห็นกายเคลื่อนไหวหเห็นใจคิดนึกนะการเคลื่อนการไหวแต่ละขณนะนั้นคือกายยานุ ป, ปัจนาสติปัฏฐานดูกายก็ต้องเห็นเวทนาเห็นอาการเจ็บปวดเมื่อยนะปฏิยาธรรมชาติของกายนะ ที่เขาแสดงออกมาอย่างี้นะเห็นจิตอาการของจิตธรรมชาติของจิตเป็นกุศลธรรมอากุศลธรรมก็ต้องแสดงออกมามันเป็นธรรมชาติยังไงมันเป็นกุศลธรรมอากุศลธรรมมันเป็นสัจจะความจริงยังไงเราจะได้รู้เท่ารู้ทันดูและเห็นแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นอาการหล่อนั้นมันก็อิสระภาพอย่างเงี้ยการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะ มันก็ทํำง่ายๆนะราวางกายวางใจดีๆแล้วก็เคลื่อนพลิกมือขึ้นยกมือขึ้นนะความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจให้ค่าเขาควนะามงเหงาๆนอนความเบือ่อความเส็งมันต้องเกิดขึ้นมาเพราะของมันมีอยู่ในตัวเรานะเราจะไม่เรียกว่ากีเลสก็ได้นะเราจะไม่เรียกว่ากุศลอกุศลก็ได้เราก็ดูเป็นอาการไปก่อนนะกลับมาที่ความรู้สึกในการเคลื่อนการไหวการเดินจงกรมนะ การหันใจแลกว่าดูลมหายใจท้องพองยุบก็คือกายทั้งหมดพอดูกายจนเกิดความจำนานเกิดทิศเกิดทางมีชีวิตใหม่ๆข ม, มาเมื่อก่อนเป็นชีวิตเก่าๆคิดก็คิดแบบวิธีการเก่าๆทำก็ทำแบบวิธีการเก่าๆพูดก็พูดแบบวิธีการเก่าๆบัดนี้มันเปลี่ยนใหม่มันจะพูดมันจะทำมันจะคิด มันก็เป็นเรื่องของความจริงที่เกิดการเกี่ยวข้องแล้วเกิดสันติสุขสันติภาพอย่างงี้ยมันน่าสนใจทีเดียวเบิงที่คนที่เรารักที่สุดกับเป็นคนที่เราเกลียดที่สุดอย่างพ่อแม่เราก็รักที่สุดแต่เพราะว่าเจอกันดีไรเห็นหน้ากันทีไรมันไม่สบายใจทุกทีเลยอันนี้ยกตัวอย่างเคยมีน้าธรรมอยู่ท่านหนึ่งมาเวไปทำให้ยกมือยกมือไม่ได้ เป็นพยาบาลนะแล้วก็ตกเย็นวันหนึงนะ่งเนเดินคลุ้มคลุมคุขึ้นมาบนันไดแล้วมาที่สลาหอไตราสาพเป้เราก็ดูเอ๊ะทำไมเป็นใบรุ่นแล้วก็ท่าทางเหมือนฝรั่งนะสูงขาวแล้วทำไมแปลกแทนที่จะไปเที่ยวที่อื่นทำไมมาแบบ ดึกๆเดินๆเมินๆคำๆเดินขึ้นมาก็เลยอาหาที่พักก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่อะไรก็คุยกันตกเช้ามาก็สอนนี่แหละวิธีนั่งสร้างจังหวะให้บอกว่าเขาจะมาปฏิบัติธรรมแต่พรากายกมือไม่ได้พอยกมือก็นั่งมือตารอยน้ำตาไหลเราสังเกตดูสักสองสามชั่วโมง ก็เลยเข้าไปแล้วก็ถามมาเป็นอะไรเหรอนะก่อนจะเดินเข้ามานี่ไข้ควรแล้วนะไม่ใช่อยู่ๆจะเดินเข้ามานะคิดหนึ่งคิดสองคิดสามแล้วว่าจะเข้ามาไหมจะมาถามดีไหมอย่างเงี้ยแต่เห็นว่ายกมือไม่ได้แล้วก็นั่งร้องไห้มีความทุกข์อะไรเหรอเงี้ยก็ก็บอกว่าก็มีความทุกข์เพราะว่าคนที่รักเนี่ยทำให้ทุกข์เช่นพ่อแม่อา้า พ่อแม่ก็ทําอะไรให้เราทุกหนูเรียนพยาบาลนะจริงๆหนูเรียนเพื่อพ่อเพื่อแม่ะพ่อแม่บงังคับให้หนูเรียนหนูไม่อยากเรียนเลยแล้วอีกอย่างคือพ่อแม่เนี่ยขายสัตว์นเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เป็ดนแล้วก็ฆ่าอยู่ที่บ้านน่ะไม่อยากให้แม่ทําอย่างนั้นพ่อทําอย่างนั้นกลับไปบ้านทีไรนะวันหยุดน่ะมันไม่สบายใจน ตอนอยู่ที่ทํางานก็คิดถึงตอนอยู่ที่โรงเรียนก็คิดถึงแต่พอกลับไปบ้านแล้วไม่อยากอยู่บ้านบางทีแม่ก็เล่นไพ่พอ่อกินเหล้าก็ไม่อยากเห็นภาพนั้นเลยเลขอย่างคือตอนนี้หนูเป็นพยาบาลแล้วไปทํางานภูมิคาําชาก็ใช้ไม่เข้าใจหนูเลยแล้วงานที่หนูทำเนี่ยบางงานหนูก็ไม่ชอบเลยให้หนูเป็นพรีเซนเตอร์มันไม่ใช่ตัวหนูเี้ย บางทีหนูก็รู้ไม่จริงแล้วหนูก็ต้องไปบอกเขาเหมือนทำกับหนูรู้เหมือนกันหนูน่รู้ไอ้สิ่งที่หนูบอกเ้าทั้งที่หนูก็ไม่รู้อย่างเงี้ยหนูก็ไม่สบายใจแล้วหนูก็เลยโทรศัพท์ปรึกษากับเพื่อนในหน่วยงานปรากฏว่าหนูเนี่ยคบกับเขาจนกระทั่งเลยขีดถึงความเป็นเพื่อนท้ายสุดหนูก็เลยกู้เงินสากรมาแต่งงาน ตอนนี้หนูก็ทำงานใช้หนี้หนูก็มีน้องนน้องก็เรียนหนังสืออยู่หนูก็ส่งเงินให้น้องเรียนน้องก็เรียนไม่จบแล้วแถมก็พาเมียเข้าบ้านแล้วตอนนี้มีลูกหนูต้องเลี้ยงอีกคนแล้วหนูก็เพิ่งบรรจุทำงานเงินไม่พอใช้ที่สำคัญก็คือกู้เงินสากลมาแต่งงานก้อนนึงแล้วก็ท้ายสุดก็คือไปไหนกับสามีไปงานเลี้ยงเวลามีงานเลี้ยงเพื่อนชอบถามมามากับคนขับรถหรอ บางทีไปทำงานไปกับสามีข้างหนูเนี่ยขับรถไปส่งเพื่อนเพื่อนก็ถามว่าบันนี้มาเองหรือคนเดียวทั้งๆั้สามีก็ยืนอยู่เพราะสามีนิเตี่ยมาก150ร้อยห้าสิ็เๆษแต่ตัวเองสูงร้อยแปดสิบมันมีความแตกต่างก็เลยทุกข์มากๆเลยนะแล้วก็ท้ายสุดก็คือค่าตัวตายแล้ว่าตัวตายอยู่ในโรงพยาบาล เพื่นกรจับล้างท้องหนึ่งครั้งแล้วสองครั้งแล้วอย่เงี้ยท้ายสุดครั้งที่3ามก็กล่าวว่าจะฆ่าตัวตายครั้งแต่นึกถึงวัดสามีก็ไปเปิดเป็นพระอยู่ที่วัดป่าสุกโตนะเคยบอกว่ามีการฝึกสกติเจริญสติอย่งเงี้ยเตงก็เลยคิดว่าเออจะลองมาสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะฆ่าตัวตายครั้งที่สามอย่า้วก็ยกมือไม่ขึ้นนะปัญหาในชีวิตมันเยอะนะมันมีประสบการณ์ชีวิตที่โชกโชนโนดะยเพราะเรื่องความทุกข์นะ หาเรื่องมาคิดจนตัวเองเจ็บปวดนะพอปฏิบัติรมยกมือ1สิบสี่ว่ามันก็ไม่ยอมอนยะ่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันเริ่มต้นวันแรกนะถ้าใครปฏิบัติแล้วก็มีร่องรอยปัญหาเก่าๆทะลักทดลองออกมานะคือสิ่งที่ดนะีเราล้างห้องน้ําเราเห็นร่องรอยเนะลอะของห้องน้ําเราซักเสื้อผ้าเราเห็นร่องรอยเลอะบนชิ้นเสื้อผ้าของเราเราจะได้ขยี้มันนะวิธีขยี้คือการเคลื่อนไหวให้มากๆนะอาศัยบรรยากาศของกัลยาณมิตรนี่แหละ แล้วก็ทำใจให้แยบคายแล้วว่าโยนที่สมนุษยิการนะทําใจให้แยบคายตั้งใจนะที่จะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวเคลื่อนไหวรู้สึกกระทบสัมพัสเนี่ยให้ชัดๆัดหน่อยความคิดอารมณ์มันเกิดทะลักทะลวงขึ้นมาไม่เป็นไรหรอกนะความง่วงเงาวหานอนเกิดขึ้นมาไม่เป็นไรหรอกเนะมื่อคืนใครนอนไม่หลับบ้างยกมือขึ้นไม่ไม่ถูกไม่ผิด่นะยกมือขึ้นเมื่อคืนนอนไม่หลับอานะเดี๋ยววันนี้แหละมันจะมานะ ตอนปฏิบัติเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับคนนอนไม่หลับเมื่อคืนแล้วมันจะมาอย่างเดียวเมื่อคืนใครนอนหลับมั้งยกมือขึอ้นประเดีิตอนปฏิบัติมันก็มาเหมือนกันไม่เกี่ยวกับนอนหลับนอนไม่หลับมันมาตลอดนันแหละถ้ายกมือสร้างจังหวะใครนอนหลับหลับตื่นตื่นมั้งเมื่อคืนยกมือขึ้นอ่าเอามือลงพระนี่เมื่อคืนนอนหลับหลับตื่นตนะื่นนะอัตมน่ยเพราะอะไรรู้ไหม โทรศัพท์นะจํานวนเกือบร้อยเครื่องนะมันร้องทั้งคืนเลยยอมไหมติ๊ตอติ๊ตอติ๊ตอมันร้องเพลงหลังมัง่งร้องเพลงไทยมัง่งร้องอีสานมัง่งสารพัดเพลงอนะ่ะมันร้องทั้งคืนเลยเนะมื่อคืนนะเดี๋ยวจะต้องขยับขยายมัน น, นะสั่งปิดทั้งหมดนะเราก็เห็นโอ้เวลามีอารมณ์มากระทบนะรูปเสียงกินลดนะจิตใจของเรามันก็เตือนรู้ทันที แต่ก็ไม่ได้หมายให้ถึงว่ามันจะต้องเพลียจะต้องนอนอะไรนะวันนี้เราเลยมีการมีการทำกันก็คือฝึกหัดสตนะิฝึกหัดวิชากรรมฐานจนทั้งให้มันเหมือนกับมีผลของการเดือดปรากฏขึ้นมาหนึ่งวันสองวันสาวัน4ี่วันหวันจนทั้งกลับอย่างเงี้ยนะก็คือออกจากความคิดให้มากที่สุดคิดเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็ไม่ได้สนใจใส่ใจอดีตอนาคตนะมันจะเป็นเรื่องดีขนาดไหนหรือว่าไม่ดีขนาดไหนไม่เป็นไร เราจะกลับมาเคลื่อนไหวรู้สึกนะจนกระทั่งให้สติมันเด่นขึ้นมาภาวะผู้ดูปรากฏขึ้นมาอย่างเงี้ยนะวันนี้ก็เราก็ให้กำลังใจกันในฐานะทีนะ่เราเป็นชาวพูดเหมือนกันเราเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ไม่เกี่ยวกับศาสนาไหนเพราะบางทีอาจจะมีคริสต์ปนอยู่ในนี้บ้างหนะรือว่าอิ ส, อสลามหนะรือว่าศ า, าสนาอื่นๆหรือว่าไรศาสนาก็ตามนะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของชีวิตนะชีวิตของเรามันชอบทุกข์เพราะวามคิดนะ ชอบทุกเพราะว่ า, วานะมีอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์แต่ว่าเรามาทำสิ่งเดียวกันพิสูจนะ์หลักของศัลธรรมที่มีอยู่ในโลกใบนี้ก็คือเจ้าใช้สิทธฐานผู้ค้นพบแล้วก็ท้ายสุดนะเป็นสัมมาสัมพุทธะคือรู้แล้วบอกต่อคราวนี้พอบอกต่อปาก็มีครูบาอาจารย์มากมายเหลือเกินในประเทศไทยก็เช่นหลวงปู่ชาอย่างเงี้ยหรือว่าหลวงปู่มั่น หรือว่าอาจารย์พุทธทาหรือว่าหลวงพ่อสดหรือว่าหลวงปู่เทียนหรือว่าอีกมากมายกายกองนะที่เป็นอริยสงฆ์ที่เราให้ความเคารพแล้วก็เชื่อถือมีความเชื่อว่าท่านรู้จริงๆแล้วก็นํามาบอกเราจนทั้งมาถึงยุกนะวัดป่าสุขโตปัจจุบันเนี้ยนะเราก็มาได้ยินได้ฟังหลวงปู่เทียนชี้บอกเราว่าให้รู้การเคลื่อนการไหวโดยการนั่งสร้างจาังหวะ14ิ่จังหวัในรูปแบบ ล้วก็ไม่เป็นไรก็เมืองตาหลิวล้วก็หลิวตาตามให้ทำเราก็ทำอย่า ง, นะา ง, งนั้นนะอะไรเห็นว่าสมควรแก่เวลาเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมกัน